ตอนนี้ไปพึ่งพากันตั้งจิตสติสำรวมใจให้ดีเวลานี้ให้นึ ก, กว่าเรามารวมกันฝึกกายฝึ ก, กจิตกายก็ให้นิ่งนิ่งจิตก็พยายามให้มันนิ่งมันคิดอะไรต่ออะไรมามากเ่ามากแล้วแหละในสงสารอันนี้ แล้วไม่เห็นมันได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นแก่นเป็นสารไม่มีเลยก็ขอให้คิดคํานวณอย่างนี้ก็แล้วกันนะ่ะเกิดมาในโลกอันนี้มาสั่งซมแกวแหวนเงินทองเข้าของบ้านช่องอะไรช่องอะไรสารพัดมาหวงแผ่นดินอันเนี้ยเกิดมาชาติใดก็มาหวงแผ่นดินอันนี้ ล้วคิดดูให้ดีล้วไม่เห็นมีอะไรอ่ะไม่เห็นได้อะไรอ่ะโดยเฉพาะก็หวงร่างกายนี่เองนะร่างกายนี่ก็เป็นแผ่นดินผืนหนึ่งที่อาศัยของ จ, จิตใจเมื่อมันหวงร่างกายนี่แล้วมันก็หวงนอกกายนี่ออกไปอีกเพราะว่าร่างกายนี่ต้องเป็นอยู่ด้วย ปัจจัยสี่คือผ้าหนุ่งผ้าหม่มอาหารการบริโภคที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆทต้องอาศัยปัจจัยสี่นี้ร่างกายนีบ้บำรุงร่างกายนี้อยู่มันถึงเป็นอยู่ไปได้ถ้าขาดปัดจจัยสี่นี้แล้วอยู่ไม่ได้เลยร่างกายนี้ มันถึงได้แสวงหาขวนขวายสั่งสมปัจจัยสี่นี่ด้วยความยากความลำบากเต็มทนนะเหตุดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงจรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์พอเกิดมาแล้วมันต้องมาคบปางงมมาเลี้ยงดูกันเลี้ยงดูสักเท่าไหร่มันก็ไม่เที่ยงไม่อย่างยืนให้ อยู่นานปีนานเดือนไปมันก็สำรุดุดสมไปจะให้อยู่ดีกินดีสักเท่าไหรก่ก็ตามมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนให้ลองพิจารณาดูดูให้ดีเป็นอย่างนี้เนี่ยที่พุทธเจ้าทรงตรัสว่าธาตุความเกิดเป็นทุกข์ควรเบื่อคนหน่ายไม่ควรที่จะมาชื่นชมยินดี กับชาติความเกิดอันนี้ยิงโยผู้ที่อินทรีย์อ่อนโยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็ยังไม่เบื่อไม่นายยังชอบใจอยู่กับร่างกายอันนี้แหละแต่ผู้ที่บําเพ็ญบุญกุศลมามากอินทรีย์แก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็มองเห็นร่างกายอันนี้เป็นสิ่งที่ หน้าเบื่อหน้านายเพราะว่าต้องประครบประงมกันอยู่เรื่อยไปยค่อยอยู่ได้ถ้าไม่ประครบประงมไม่เยียวยารักษาแล้วลูกอันนี้มันจะอยู่ไม่ได้เลยมันจะแตกดับทำลายไปดังนั้นพิจารณากันให้มันดี เพราะความจริงมันมีอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาไปอย่างอื่นมันก็ผิดจากความเป็นจริงมันก็เป็นเหตุให้ติดให้คล้องอยู่ในโลกนี้ไม่อยากหนีจากโลกนี้ผู้ครองเรือนก็ไม่อยากจะหนีจากบ้านจากเรือนไม่ไม่อยากจะหนีจากลูกจากเมียจากผัวจากงานพี่น้อง จากเงินทองเข้าของนี่ถ้าหากว่าจิตใจมันไม่ยอมปรงยอมวางไม่เพียรพยายามปรงวางแล้วมันก็คล้องอยู่เนี่ยแม้ว่ารู้อยู่แล้วว่ามันจะพัดผจากไปแต่มันก็ไม่ไว้ที่จะห่วงใยอะไรฮะอย่างนี้แหละ บางรายพ่อแม่ตายลงเถึงอนก็นมาขออ้อนวอนขอรองพระขอให้จิตวิญญาณคุณแม่ได้มาหาดิฉันด้วยให้เดกคุณแม่ได้มาคุยกันด้วยอันนี้นะมันจิตมันผูกพันกันนะก็จึงเตือนโอ้จะไปคิดอย่างนั้นมันไม่ถูกต้อง จะเป็นนวงเดียวเอาจิตวิญญาณของพ่อของแม่มาผูกพันอยู่กับต้นเช่นนั้นเนะ่ะท่านก็ไม่พ้นจากทุกไปได้ก็ชื่อว่าทำให้ท่านเป็นทุกข์แหละนนทางที่ดีแล้วเราต้องทำบุญกุศลอุทิศส่วนบุญกุศลในปายตามที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงสั่งสอนไว้ว่าบุญกุศลเท่านั้นจะช่วย ผู้วายชนไปสู่โลกหน้าให้มีความสุขความเจริญได้โลกจากบุญกุศลแล้วไม่มีอะไรจะไปช่วยเหลือได้เลยพระองค์วินาเห็นอย่างนี้นีลยก็จึงได้แนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทบำเพ็ญบุญกุศลอุทิศให้แก่ผู้วายชนไปไม่ควรไปเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ลำาไร ไม่มีประโยชน์อะไรอก็คิดดูคําสอนของพระพุทธเจ้านะกระทรงสอนให้ปรงให้วางขันธ์ทั้งห้าอันนี้เองอืปรงวางขันธ์ทั้งห้าที่ตนอาศัยอยู่นี่ด้วยแล้วก็ปรงวางขันธ์ห้าผู้อื่นซึ่งเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างนี้มันก็ถึงจะพ้นจากทุกข์ได้ ถ้าไปผูกพันกันอยู่นะั่นนะพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยข้อนี้แหละพระพุทธเจ้าทรงประกาศความจริงนะแต่ว่ามนุษย์นิ่มถูกอวิชชาตันหาครอบงำจิตใจหนาแน่นแล้วก็มันไม่ยอมรับรู้ความจริงเหล่านี้มันจึงไม่ยอมทำความเพียปรปล่อยวางนามและรูปอันนี้ ผู้ที่มาตื่นตัวได้เออมาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตื่นตัวว่าโอ้เป็นความจริงนะเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายต้องพลัดพากจากของรักของชอบใจทั้งหมดไปเมื่อเป็นเช่นนี้จะมาหวงอะไรทำไมอ่ะหวงให้เป็นทุกข์เปล่า ผู้มีปัญญากระยม่มสอนตนเข้าไปอย่างนี้ความจริงก็เป็นอย่างนั้นแท้ๆนี่นะหวงเวลาก็เป็นทุกข์เป่าจริงๆไม่ได้อะไรอะหวงปันญดมันก็ไม่อยู่ด้วยร่างกายอันนี้นะถึงเวลามันแตกมันดับมันก็ไม่ฟังจะอ้อนวอนจะขอร้องยังไงยังไงก็ไม่ฟังมีเงินเป็น พันล้านโกรธล้านเาจะมาไถ่ถอนเอาชีวิตนี่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้เลยดังนั้นนะความจริงมันมีอยู่เช่นนี้แล้วเราจะไปปฏิเสธความจริงทำไมล่ะก็ต้องยอมรับรู้อืมเมื่อยอมรับรู้แล้วไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของของเราแล้วก็ สบายใจสิจิตใจนี่ไม่เมื่อมันไม่มีห่วงมีอะไรสิ่งใดแล้วมันเป็นสุขมากคอยเข้าใจผู้ใดอยากรู้ก็ทำใจให้สงบลงไปสิเมื่อใจรวมลงสงบเป็นหนึ่งลงไปแล้วมันไม่ห่วงไม่อะไรสิ่งใดแล้วมันเป็นสุขสบายยังไงบ้างมันก็รู้เองแอละ ม, มันรู้เอง ถ้าผู้ใดปล่อยใจฟุ้งซ่านเลื่อนรอยไปอยู่อย่างนั้นเน่มันก็มองไม่เห็นความสุขเลยแบบนี้นะ เ, เลื่อนรอยไปเท่าไรยิ่งเดือดร้อนไปเท่านั้นยิ่งไม่มีทางแก้ไขไอ้คนที่ไม่ฝึกตนตามคาสอนของพระพุทธเจ้านะไม่เอื้อื้อในคำสอนก็เลยแก้ไขชีวิตตัวเองไม่ตก คิดไปยิ่งยุ่งยิ่งเดือดร้อนบางรายก็ถึงกับฆ่าตัวตายโดยวิธีต่างๆมีอยู่บ่อยๆโลกอันนี้นะมนุษย์ค่าตัวตายนะเพราะว่าไม่มีอุบายจะแก้ไขชีวิตจิตใจตัวเองให้หลุดให้พ้นไปจากความผูกพันต่างๆให้พ้นไปจากความผิดหวังความสมหวังต่าง ๆ, ๆ ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนะก็จึงไม่ควรปล่อยปละละเลยร่างกายจิตใจนี้ไปตนมาอาศัยอยู่ร่างกายนี้แล้วก็ต้องใช้วิธีฝึกกิตนี้ให้ส ง, งบลงไปเมื่อจิตสงบแล้วมันก็ผ่องใสจิตนี้ เมื่อมันผ่องใสมันก็มองเห็นร่างกายทุกส่วนได้เลยอย่างนั้นเหมือนกับไฟฟ้าเมื่อไม่ต้องการก็ปิดสวิตช์ไว้เมื่อต้องการแสงสว่างมันก็กดสวิตช์ไฟมันก็วิ่งเข้าหลอดเลยมันก็ส่องแสงสว่างออกมาอันหลอดไฟดีๆไม่สุดเสียหายอะไร สวิสก็ดีสามารถปิดกั้นกระแสะไฟได้สามารถเปิดกระแสะไฟให้วิ่งเข้าหลอดได้การปิดกระแสะไฟไว้นั้นอุปมามาเหมือนอย่างเราภาวนาทาจิตให้สงบหยุดคิดหยุดลึกไปในอารมณ์ต่างๆเลยนิ่งอยู่ว่างว่างอยู่ในใจนั่นนะ เป็น่างั้นเมื่อเวลามีเหตุมาถึงเข้าที่จำเป็นเราจะต้องใช้วิจารณญาณอย่างนี้นะเดี๋าายวใช้ความรู้อันนั้นแหละก็ต้องกำหนดพิจารณาว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรหนออย่างนี้นะคนทกอย่างนี้เนะี่ยปัญญามันจะเกิดขึ้นมันจะ ฉายออกไปให้จิตรู้ว่าเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนอย่างไฟฟ้านั่นแหละเมื่อเราต้องการแสงสว่างแล้วบางทีก็กดสวิตช์นี้ไฟก็วิ่งเข้าหลอดส่องแสงสว่างออกมาในพื้นที่มองเห็นอะไรต่ออะไรได้ชัดเจนเลยจิตใจนี่มันก็เป็นเช่นนั้นแหละขอให้เข้าใจถ้าเราฝึกให้มันสงบ ให้มันรั ง, งับจากกิเลสส่วนกลางนั่นแล้วมันก็ผ่องแผ้วมันก็เบิกบานการที่จะให้จิตสงบนั้นมันก็ต้องอย่างว่าเคยแนะนำมาแล้วต้องอดต้องทนต้องใช้ความอดเขาช่วยต้องใช้ความเพียรอา้านั่งภาวนาคราวนี้มันสงบลงไม่ได้ เอาคราวหน้าทำอีกเพ่งอีกอดทนลงไปอดเพ่งเพ่งให้มันส ง, งบอย่างงี้นะเมื่อเราเพ่งน้อมสติเข้าไปหาความรู้อันนั้นแล้วไปเพ่งอยู่ในความรู้อันนั้นนะสติมันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็สามารถควบคุมความรู้สึกอันนั้นได้ มันก็ไม่ปล่อยความคิดออกมามจะว่าการเพ่งรู้อยู่แล้วนะ่ะมันก็ลำบากหน่อยในเวลาที่จิตยังรวมไม่สนิทเต็มที่มันก็เกิดทุกเวทนาขึ้นเอาอด ท, ทนเอาเกิดยังไงก็เกิดมาทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปไม่ต้องถือมันไม่ต้องวันไว กำหนดอาแต่รู้อะอย่างเดียวเท่านั้นแล้วรู้ไม่ยึดรู้ไม่ถืออะไรสุขก็ไม่ยึดไว้ทุกข์ก็ไม่ถือไว้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของขันห้าสุขทุกข์ให้กำหนดรู้อย่างนี้นะเมื่อเมื่อแยกจิตกับขันห้าออกจากกันเนี่ยมันความทุกข์มันก็หายเนยความทุกข์ทางจิตใจนะ แยกออกจากกันแต่อยู่อยู่ใกล้กันนั่นแหละแต่หากความที่ว่าความรู้ความเห็นที่ว่าขันธ์ห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนน่ะนั่นแหละเรียกว่ามันแยกออกแยกความเห็นออกแล้วแต่ก่อนมันเห็นว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้นะไม่เห็นว่าความสําคัญผิดคิดว่าเป็นเราเป็นของเรามันเป็นทุกข์มันไม่สบายเลยอย่างงี้ เบื่อความคิดอันนั้นแล้วก็พยายามเพ่งละความคิดอันนั้นดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละเอาจนมันระ ง, งับไปเลยจนมันเห็นแจ้งขนมธาตุสี่นนขันหานี่ไม่ใช่ของเราจริงๆเลยอย่าไปเดือดร้อนกับมันมันแปลปวนไปก็แล้วแต่เรื่องมันก็ะทอสอนจิตตัวเองเนี่ปัญญาสอนจิตนะวันนี้นะนี่แหละเมื่อจิตสงบแล้ว มันเกิดปัญญาขึ้นมันก็สอนตัวเองได้มันเป็นอย่างนั้นเ่อมมานะ่ะจะไปให้คนอื่นสอนอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เลยคนอื่นสอนนะถ้าตนไม่เอาตามไม่ทำตามมันก็มีไม่มีผลอะไรอะ่ะให้เข้าใจอย่างนี้ก็แล้วกันเนี่ยถ้าผู้อื่นแนะนำสั่งสอนแนละ้วเราจำอุบายนะั้นเราไปทำตามเข้าไปอย่างนี้นะ มันก็นยอมเห็นแจ้งขึ้นด้วยตนเองได้สิ่ง ใ, ใดก็ดีที่ยังไม่เคยเห็นก็เห็นที่เห็นมาแล้วยังไม่แจ่มแจ้งก็แจ่มแจ้งขึ้นไปเห็นภายในนะไม่ใช่เห็นภายนอกเห็นอยู่ข้างในเช่นจิตสงบอยู่ภายในร่างกายนี่แล้วมันก็ส่องรัศสมีดูเอาไว้ว่าร่างกายภายในนี่ เห็นชัดเจนเลยอย่างนี้นะไม่ได้เห็นอยู่ภายนอกผมก็เห็นอยู่ภายในขนเล็บปันหนังอะไรก็เห็นอยู่ภายในใจนั่นอืมดูกันอยู่เพราะมันอยู่ด้วยกันนี่จิตกับกายอน่ะอันน่้จิตนี่เมื่อฝึกให้ตั้งมั่นแล้วมันก็ดูร่างกายนี่ได้ตลอดเลยอ่าเป็นองั้น มันอย่างตาภายนอกนี่แหละเมื่อมันไม่ฝ้ารักษาให้มันดีมันผ่องใสมันปกติอยู่แล้วยางนี้นะเราจะมองสิ่งใดเราจ้องดูแต่สิ่งนั้นโดยเฉพาะอย่างเงี้ยมันก็เห็นแจ้งในสิ่งนั้นเลยตาเนั้นนะอ๋อของสิ่งนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้หนอยอย่างนี้นะมันก็มองเห็นได้อืม จักคุ่งอุดรปาริญาณังอุดรปาดิพระพุทธเจ้าตรัสไปในธรรมจักอ่ะอืมญาณบางเกิดขึ้นแล้วในจักษุคนว่ามาเขาว่าตาเนื้อนี่แหละมันกลายเป็นตาปัญญาไปอืมเป็นญาณไปอย่างงี้นะคือตาเนื้อนี่แหละมันสว่างเข้าไปภายในโน้นนะมันมองเห็นข้างในโน้นมันไม่มองออกไปข้างนอก หมายความว่าอย่างนั้นเมืเม่อ น, น้อมสติระลึกเข้าไปถึงจิตควบคุมจิตได้แล้วจิตก็มองเห็นร่างกายนี้ได้ชัดเจนเพราะมันอยู่ใกล้กันอย่างที่ว่านั่นแหละถ้าหากว่าไม่ฝึ ก, กจิตให้สงบลงไปอย่างว่านี้นะมันก็จะมองไม่เห็นร่างกายนี้ชัดเลยนี่จะเดาเอาเฉย อ, อย่างนั้นแหละ เราเอาแล้วมันไม่ยอมรับรู้ในจิตนี่น ะ, ะว่าร่างกายนี่มันไม่สวยไม่งามอย่างนี้นะใจหนึ่งมันก็เห็นว่าสวยว่างามอยู่อย่างนี้นะเนื่จากมันไม่สงบนั่นแหละมันจึงเป็นอย่างนั้นถ้ามันสงบเป็นหนึ่งบังคับตัวเองได้แล้วอย่างนี้มันก็ ปัญญาสอนจิตว่าร่างกายนี่มันไม่สวยไม่งามนะพิจารณาดาูอ่ะเอมันก็รับรู้ว่าจิตใจในี่จริงไม่สวยไม่งามจริงไนงะเมื่อพิจารณาให้ละเอียดถี่ทั่วลงไปแล้วมันมไม่มีอะไรสวยงามเลยมีแต่สิ่งสกปลกพูดตรงๆนะนั่นแหละทวารทั้งเก้านี่เป็นที่ถ่ายเทของเสียออกจากร่างกาย เราคิดดูให้ดีร่างกายอันนี้ถ้าของที่เสียอยู่ภายในนั้นมันไม่ทะลักออกมาแล้วอยู่ไม่ได้เลยนะย่อมปวดปั่นเลยอย่างคนท้องผูกอย่างนี้นะถ้าไม่ไปถ่ายถึงสองวันสามวันแล้วลำบากแล้วเดือดร้อนนปวดท้องแล้วเป็นสารพัดแหละอาหารเก่ามันทำพิษไ เป็นอย่างนี้นะเนี่ยพระพุทธเจ้ายัางตรัสว่าชาติคมเกิดมันเป็นทุกข์มันเป็นอย่างนี้แต่มนุษย์เราส่วนมากไม่ได้พิจารณาเลยว่าทวารทั้งเก้านี่นะเป็นที่ถ่ายเทของเสียออกมาจากภายในนู่นนะแต่แล้วผุไปมองเห็นว่าตาก็ ง, งามดีเพราะว่าอ่าจมูกก็ ง, งามดี ลิมผีปป า, ก, งงาก็งามดีเนี่ยนี่แหละผิวพรุ์ก็งามดีแท้ที่จริงแล้วผิวพรุ์นนะ่ะลองทิ้งไว้ตะเก็ยวันสิไม่อาบน้ำไม่ขัดถูอะ่ะไอของเสียมันอยู่ภายในมันระบายออกมาเกล็กังติดอยู่ตามผิวหนังนี่มันจะส่งกลิ่นเหม็นออกมาเลยฮะ ก็ต้องคิดดูว่ามีตรงไหนล่ะสวยงามอ่ะเห็นแต่เพียงสีขาวๆเท่า น, นั้นแล้วก็ว่าสวยว่างามแล้วเพ่งพี่นะอัสีขาวๆว่า น, นั่นแหละเมื่อของเสียมันทะลักออกมาแล้วมันไม่มีสวยงามเลยย่อมมัวมองไปแล้วก็ส่งกลิ่นไม่เป็นที่น่าพอใจเลยภายในหนังเนื้อเข้าไปนวนยิ่งแล้วอ่ะ ยิ่งไม่มีอะไรสะอาดสักอย่างเดียวอะอย่างนี้น่จะไปปฏิเสธความจริงเหล่านี้ได้ยังไงอ่ะไอ้คนส่วนมากมันก็ปฏิเสธความจริงอย่างว่าเนี่ไม่ยอมรับรู้มันทึ่งเกิดมีจิตใจผูกพันอยู่กับรูปอันนี้ผูกพันไปจนถึงวันตายเนอะ น, นะอืมแม้จวนจะตายอยู่ก็ยังรักกันอยู่นะ ตายไปแล้วมันก็ยังรักกันอยู่บางรายก็ปรารถนาให้เกิดร่วมท้องเดียวกันบุญกรรมมันนีมันก็แต่งให้ไปเข้าท้องในขณะเดียวกันแล้วก็หัวติดกันบ้างตัวท้องติดกันบ้างหลังติดกันบ้างกรรมมันแต่งให้ตามเจตนาลมของกิจ จิตปฎิฐานะอย่างไรมันก็แต่งให้อย่างนั้นด้วยอํานาจแห่งความรักความบุกพันธ์นะมันทําให้เกิดความทุกข์อย่างนั้นนะเมื่อติดกันแล้วหมอก็ไม่กล้าผ่าออกให้ถ้าผ่าก็ตายอืมก็ได้ทนทุกข์ทรมานไปอย่นั้นแล้วจนกลัวจะตายอืมนี่แหละโทษแห่งความรักความใคร่ความสวยงามความเห็นว่าสวยว่างาม มันมีโทษมีทุกข์อย่างนี้เนะี่ยพิจารณาดูให้เห็นถ้าผูท้ที่อินทียงอ่อนอยู่ยังมีความรักความใคร่อยู่ก็ให้รักอยู่ในขอบเขตแห่งศีลธรรมมันอย่าพู้ครองเรือนอย่างนี้น ะ, ะก็เป็นผัวเดียวเมียเดียวซะอย่าไปหลายผัวหลายเมีย อย่างนี้มันก็ยังชั่วหน่อยนะความรักอันนี้มันก็ไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมไม่ถึงกับได้ไปทำบาปทำกรรมอ่ะอันนั้นเรียกว่าอยู่ในระดับหนึ่งชีวิตของคนผู้ที่ยังอินทรีย์บุญบา ร, รมียังอ่อนอยู่มันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นก่อนแหละแต่สำหรับผู้เป็นนักบวชแล้วรับว่าอินทรีย์บา ร, รมีแก่กล้าสงวรนะถึงได้มีศรัทธามาบวช บวชแล้วก็ยินดีปฏิบัติตามธรรมวินัยคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ไม่เกียจคร้านมีความอดทนปฏิบัติให้ตรงตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี่นะถ้าคนไม่มีอินทรียปรมีแก่กล้าสงควรเนะ่ยมันปฏิบัติไม่ได้เลยอืมร้อนไม่ได้อาบอยากไม่ได้กินอย่างงี้นะ มันจะอดทนได้ยังไงคนบุญน้อยฉะนั้นนักบวชนี่จึงมีน้อยเดียวแล้วผู้ครองเรือนนั้นมีมากมายกายกองก็เนื่องมาแต่มันอย่างว่านี่แหละมันไม่บุญกุศลหนนหลังนั่นก็ไม่หนุนส่งอืแล้วมาในปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ฟังธรรมคำสอนของพระเจ้าแล้วก็ไม่ฝึกตน ก่อนแล้วก่อนนินกินแล้วก่อนนอนไปอยู่งั้นไงเนช่นนี้เราจะให้กิเลสมันเบาบางออกไปจากจิตใจไปได้ยังไงอ่ ะ, อะเพราะว่าตนไม่เพียรละมันนี่มีแต่สะสมมันไว้ในใจมันมันก็มากขึ้นมากขึ้นโดยลําดับแล้วตนสะสมมันอ่ะอะืเหมือนอย่างเหมือนอย่างหญ้า ในไร่ในานาอย่างี้นะเมื่อไม่เมื่อมันเกิดขึ้นมาไม่พยายามถอนมันออกไปนะมันก็เกิดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยเลยนะมันก็ท่วมต้นข้าวต้นผลไม้ต่างๆแล้วต้นข้าวต้นผลไม้นั้นก็งอกงามไม่ได้เลยสูบสีดไปไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นในบุคคลผู้ ถอยหลังผู้ถอยความเพียรนะเกียจคร้านแล้วก็มากๆด้วยอย่างนี้แล้วกิเลสมันก็หุ้มห่อจิตใจนี่ไว้บุญกุศลก็เกิดขึ้นไม่ได้เกียดนั้นคิดไปตั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกนูน่นเอยาได้รูปเป็นต้นดังกล่าวมานั่นอยู่ ไม่ได้มาทำความเพียรทำใจสงบเป็นหนึ่งลงไปอย่างนั้นแหละมันจึงไม่สามารถจะปล่อยจะวางของไม่เที่ยงไม่ย่งยืนต่างๆเหล่านี้ได้ถ้าที่รู้อยู่ว่ามันไม่เที่ยงมันปล่อยวางไม่ได้ก็เพราะตนไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนไม่ชอบความสงบชอบความวุ่นวาย เป็งนงั้นถ้าได้แสดงบทบาทรุ่นไว้ขึ้นมาแล้วชอบใจอย่างนี้เรากิเลสมันจะเบาบางได้ยังไงอ่ะอืมคิดดูให้ดีกิเลสมันจะเบาบางก็เพราะทาจิตให้สงบมีสติประคับประคองจิตใจให้สม่ําเสมอไปไม่เฉพาะแต่เวลานั่งสมาธิภาวนาแหละในอิริยบททั้งสี่เนี่ย าต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตระวังไม่ให้จิตมันหลงไหลไปตามอำนาจของกิเลสต่างๆนี่ถ้าธระมัดระวังตัวอยู่อย่างนี้นะมันก็ย่อมกิเลสมันก็ครอบงาจิตใจไม่ได้ ห, หมายความว่าอย่างนั้นนะเมื่อเวลามีเรื่องภายนอกกระทบกระทั่งเข้ามามันก็ไม่ตื่นเต้นง่ายๆจิตที่ฝึก ผลมาโดยลำดับควบคุมมาโดยลำดับให้เป็นปกติอยู่ภายในอย่างนี้นะเวลามีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบ ม, มันก็รู้ทันนะเอออันนี้มันเรื่องชั่วเรื่องไม่ดีอย่าไปถือมั่นไม่เลยมันเตือนตนได้เมื่อตอนเตือนตนได้อย่างนี้นมันก็ปล่อยวางไม่ถือมั่นในเหตุภายนอกนั้นใครจะดีใครจะชั่วอย่างไรก็เลี้วแต่ใคร ใครจะทำให้ใครดีไม่ได้ใครจะทำให้ใครชั่วก็ไม่ได้ขนาตัวไม่ทำแล้วมันไม่ดีมันไม่ชั่วได้เลยนี่ขอให้เข้าใจอย่างนี้ก็แล้วกันเนี่ยมันคือความจริงแท้ๆอันนี้นะอยว่าเขาช่วยนะเราไปบังคับให้เขาทาดีอย่างนี้มันไม่ทำอะ่ะมนุษย์นีมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสภาสิตรว่าอัตตาหิอัตนโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรสิยาคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของตนได้อัตานาหิสุดันเตนะนาถังลพติดุลละพังเมื่อตอนฝึกค้อนอบรมตนให้ดีแล้วยอมได้ที่พึ่งอันประเสริฐทางนี้ ฟังให้ดีความนี้นะมันมีความหมายอย่างลึกซึ้งทีเดียวเลยอย่าไปฟังแล้วแล้วไปเลยน ะ, ะพูดจะได้ที่พึ่งอันดีงามจะได้บุญได้กุศลจะรู้แจ้งในธรรมของจริงได้ก็เพราะเหตุว่าฝึกตนนี่เองน ะ, ะใครไม่คิดฝึกตนแล้วย่อมไม่ได้ที่พึ่งอันประเสริฐเลย ที่พึ่งอันประเสริก็คือความรู้จริงความเห็นจริงเมื่อมันรู้จริงเห็นจริงแล้วมันไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดในโลกนี้มันเป็นอย่างนั้นมอ่เพราะมองเห็นแล้วว่าไม่มีสิ่งใดที่ควรยึดถือเลยมีแต่เกิดแล้วแฟรพวนแตกดับไปอยู่เท่านั้นนะรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆคำมันรู้จริงอย่างนี้แหละมันจริง ถ้ทงที่อาศัยมันอยู่แต่ไม่ยึดมันไม่ยึดถือว่าเป็นของตัวของตนของเราของเขานี่นะไม่ใช่ว่าเพราะว่ารู้ว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วก็จะฆ่าตนตายเสียมันให้ไปพ้นพ้นไปเสียอย่างนี้ไม่ถูกแล้วความเห็นเช่นนั้นนะ ม, มันก็ไม่ถูกแล้วมันเป็นการอาฆาตตัวเองอแบบนั้นนะมันไม่เป็นทางสายกลาง มันเบื่อเบื่อแล้วก็ทําจิตให้เป็นกลางไม่ได้มีแต่เอียงไปทางโกรธทําลายตัวเองล ง, งนี่นะนั่นก็ไม่ไม่ใส่หนทางดับทุกข์ไม่ใส่หนทางเป็นสุขานิพาน์ก็ต้องให้เข้าใจให้มันรอบครอบอย่างนี้เรื่องมันนะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรนี่ มอตามรักษาจิตนี่ควบคุมจิตนี่เสมอเสมอไปอย่างนี้นะอืมเพิไปอยู่นี่นะควบคุมไปเรื่อยๆไปเมื่อสติปัญญามันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็ห้อยละไปในตัวมันเลยเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรนะสรุปใจความลงแล้วนะคนเราเนี่ย มารู้ตัวนี่น ะ, ะรู้ตัวว่าตนจะพ้นทุกได้ก็เพราะตนฝึกตนเท่านั้นเองนะตนฝึกตนและถ้าตนไม่ฝึกตนแล้วไม่มีทางพ้นทุกได้เลยใครก็ช่วยไม่ได้ถ้าตนไม่ฝึกตนไม่สัมรวมตนอย่างนี้นะถ้าไปอยู่คนเดียวแล้วอย่างนี้ยิ่งคิดมาก นั่นเรียกว่าคนไม่สำรวมไม่ฝึกตนนะอยู่คนเดียวไม่สำรวมจิตเลยแล้วก็ยิ่งคิดพุ่งไปเรื่อยนะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นอยู่กับหมู่ก็ตั้งใจฝึกตั้งใจเพ่งพิจณาซะเมื่อมีกุปชอาอาจารย์แนะนำสั่งสอนเข้าไปก็ตั้งใจทําลงไปเสีย ให้มันเห็นผลในปัจจุบันนี่เลยอย่างนี้นะเมื่อมันเห็นผลในปัจจุบันมันฉลาดควบคุมจิตได้แล้วเนี่ยเวลาไม่มีครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนมันก็ช่วยตัวเองได้อืมสอนตัวเองได้เมื่อจําอุบายต่างๆได้นะนเบญงั้นเราจะไปคอยให้แต่ครูบาอาจารย์ แนะนำสั่งสอนซึิงจะปฏิบัติได้เมื่อขาดผู้แนะนําสั่งสอนไปน่อยนก็เฉ่ยชาไปแทบอ่อนแอไปแล้วควบคุมตนไม่ได้แล้วนี่ไม่มีทางเอาคนนั้นนะจะไปพ้นทุกข์ได้มันก็มีแต่หมุนไปหาทุกข์นั่นแหละเรื่องมันนะเพราะว่าความเป็นผู้ามาฏเลนเล่อเพอสติ ลอยจิตให้เลื่อนลอยไปทั่วเนี่ยแสดงว่าคนพนนั้นไม่รักตัวเองนะไม่ปรารถนาอยากให้ตัวเองพ้นจากทุกข์แล้วอต่ถ้าได้ปล่อยจิตให้ยินดีพอใจไปในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสแล้วถือว่ามีความสุขผู้ประมาณเป็นอย่างไงหนูนออผู้ไม่ประมาทมันก็ครงกันข้ามเลย การตามรักษาจิตอยู่ตลอดเวลาไปเอา้าถ้ามันเผลอกิเลสมันเกิดขึ้นสู้มันกําหนดละมันไม่ถอยมันจะยุ่งยากไรก็ไม่ถอยตั้งความอดความเพียรลงไปอย่างนี้นะเอา้าวตายเป็นตายตายอยู่เหนือนอกกิเลสเหนือกิเลส ด, ดีกว่าตายอยู่ในกิเลส ให้ใจต้องให้มันหนักแน่นเข้าไปอย่างนั้นนะอ่าเรื่องมันนะจริงนะถ้าตายแช่อยู่กับกิเลสแล้วไม่พ้นทุกข์อ่ะมันก็มีแต่ทุกข์ติดตามไปเรื่อยจะไม่เกิดพบในชาติไหนก็มีแต่ทุกข์ติดตามไปอยู่นั่นแหละก็ให้สังเกตดูสิความรักความชังอย่างนี้นะก็เมื่อเมื่อผู้ใดไม่ละแล้วมันก็ติดตามตัวเองไปอ่ะเช่นอย่าง ยึดมั่นในความรักความชังมาแต่ชาติก่อนโน่นหนึ่งแต่มันก็ติดตามมาเกิดมาชาตินี่มันก็อาความรักความชังอะไรมันก็เผาผ่านจิตใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่เหมือนเดิมนเลยแล้ว อ, อย่างนี้นะแล้วมันจะมีความสุขอะไรน ะ, ะคนเกลียดค้านทําความเพียรนนะ่ะมันยิ่งทุกข์หนักเข้าไปเรื่อยๆเวงงานเลืองมานะ่ะอ คนใดตั้งความอดความเพียรลงไปเอาทุกเป็นทุนลงไปทำความเพียรไม่ท้อถอยห้ามจิตคมจิตที่มันหึกเขิมเพิดเพลินเหล่านั้นไม่ให้มันเพิดเพลินไม่ให้มันหึกเขิมมันก็เป็นทุกข์หรอกการทำความเพียรอย่างนี้นะเป็นทุกเวลาทำอยู่นั่นแหละเมื่อเอาชนะกิเลสได้แล้ว มันก็แสนสุขสบายเนีขอให้เข้าใจกันจะเป็นสุขก็เอาทุกข์เป็นทุนก่อนจะเป็นก้อนทีละน้อยค่อยผสมจะเป็นพระก็ต้องละกามารมณ์จะเป็นพรหมก็ต้องเพียรเรียนทำฌานโบราณท่านกล่าวไว้อย่างนี้นะลองเอาไปพิสูจน์ดูสิจะพิสูจน์เห็นได้ไหมเห็นชอบตามคำ คติธรรมของนักปราบัตโบราณอาจารย์ทั้งหลายหรือไม่เป็นหน้าที่ของผู้ฟังจะเข้าไปคิดไปกลองไปพิจารณาเอาเองแต่ความจริงแล้วนะการงานทุกอย่างในโลกนี้ตัวแต่เอาทุกเป็นทุนทั้งนั้นไม่ว่าทางโลกทางธรรมไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ว่าจะได้พิสูจน์ยากอะไรไม่ใช่อยู่ลึกลับอะไรนะ ถ้าพิาณาดูแล้วมันรู้ได้ทุกคนแหละทำนาทำสวนเนี่ยไม่ยอมเอาหลังสู่ฝ้าหน้าสู่ดินแล้วก็ทำไม่ได้เลยใครจะไปอยู่ร่มทำนาไหนาขาดนาดำนาไม่แต่ตากแดดทั้งนั้นเลยทีนี้เขาก็สร้างสิ่งป้องกันแดดมานี่เอาเสื้อผ้านุ่งห่มก็ไปเอาหมวกเอา งอบครอบสีษะเข้าไปกันแดดไม่ให้มันเผาเอาสีษะไม่ให้มันเผาหน้าหน้าคลําหน้าดำไปเขาก็หาวิธีป้องกันอย่างนั้นนี่แล้วก็สู้มันได้ทั้งวันเลย อ, อันนี้ทั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อจิตใจมันถูกกิเลสครอบงา ย, ย่ําย เหมือนกับแดดแผดเผาร่างกายของคนนั่นนะแหละเอาเราก็เจริญสมาธิเป็นเครื่องป้องกันสิแบบนี้นะนะเราทําใจสงบลงไปแล้วกิเลสเหล่านั่นมันก็แผดเผาจิตไม่ได้เลยอืมเหมือนอย่างใส่กุบใส่งอบปนศีสันแล้วแดดมันก็เผาศีรษะไม่ได้เผาหน้าตาไม่ได้เลยอเหมือนกันอย่างนั้นแหละเมื่อจิต เป็นสมาธิมีสติสมบัติเสญยญาประคับประคองให้มีความสงบเป็นปกติไปและวันนี้มันก็ความรักความชังเหล่านั้นมันก็าครอบงมจิตไม่ได้เลยแต่ว่ามันก็ยังไม่ขาดหรอกแต่มั น, ม, น ม, มันหากไม่มีอำนาจอันใดที่จะมาครอบงาจิตได้เลยมันเป็นยังไงมันมีพระพุทธเจ้าแสดงบอกแล้ว ออุบายสําหรับป้องกันกิเลสเหล่านี้นะแต่มนุษย์เราไม่ทํามาส่มากนะเป็นอย่างั้นอยากจะนอนสบายกินสบายเล่นสบายหัวเราะสบายร้องไห้สบายออืนี่แหละความสบาย น, นี้แหละมันเป็นเหยื่อล่อให้จิตใจในี่ติดอยู่ในทุกพิจารณามันเห็นออืถ้าหากว่าบุคคลมาเห็น ว่ากิเลสเหล่านี้ความสุขสบายโชคราวเหล่านี้นเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์อย่างนี้นมันก็ไม่แหละไม่ยินดีพอใจในกับความสบายโชคราวนั้นนอนก็นอนพอประมาณออย่างนี้แหละอธิษฐานในใจขึ้นว่าเราจะลุกขึ้นเราทําความเพียรอย่างนี้นะก่อนนอนก็ดีเราจะทําความเพียรก่อนแล้วจึงค่อยนอน ทำใจสงบเสียก่อนแล้วถึงค่อยนอนพิจารณาอะไรต่ออะไรความจริงของชีวิตได้ให้แจ่มในใจเสียก่อนแล้วจึงค่อยหลับนอนถ้ามีอารมณ์อะไรมาค้างอยู่ในจิตก็เพียรละมันเสียให้มันหมดจดไปให้มันระ ง, งับไปให้มันเหลือแต่จิตผ่องใสอยู่แล้วจึงค่อยหลับค่อยนอนอย่างนี้ เมื่อทําความเพียรอยู่อย่างนี้แล้วมันก็กิเลสเหล่านั้นครอบงำไม่ได้เลยนี่เมื่อจิตสงบลงไปแล้วมันก็มีความสุขอยู่ในระดับหนึ่งแล้ววันนี้นะไม่มีกังวลหน้ากังวลหลังอเมื่อมันลงเต็นหนึ่งลงไปแล้วนะมันเป็นงั้นคนเราเมื่อไม่มีความกังวลแล้วก็สบายถ้ามีความกังวลใจอยู่แล้วมไม่สบายเลย ข้อนี้ต้องรู้ด้วยตนเองเนี่ยใครใครก็รู้ได้ต่างแต่ว่าผู้นั้นนะเมื่อความกังวลเกิดขึ้นแล้วมันถ้าไม่ยอมเพียรละมันเท่านั้นเนี่ยมันต่างกันตรงนั้นกับผู้มีปัญญาบารมีทั้งหลายนั้นเมื่อความกังวลบนมันเกิดขึ้นนั้นเพื่อนไม่ยอมปล่อยให้มันกังวลอยู่นั้นเรื่อยไปอ่ะเพียรละมันเอาจนได้ละไม่ได้ไม่ถอยนั่งอยู่กับนี่ตาอยู่กับนี่แหละ มันเพียงไงมันทำไเมันประมาทมันก่อทุกข์ให้แก่ตัวเองอะนี่ชื่อว่าคนประมาทเตือนตนเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อเตือนตนเข้าไปอย่างนี้มันก็เพ่งพิจารณาอยู่ภายในเข้าไปสติสัมปชัญญะมาแก่กล้าเข้าไปแล้วมันโกรธละอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นได้ละความกังวลต่างๆได้จิตก็รวมลงสงบลงในปัจจุบันสิแบบนี้นะ เมื่อรู้อยู่ปัจจุบันเห็นอยู่ปัจจุบันไม่นึกถึงเรื่องอดีตอนาคตเลยอย่างนี้นั่นความกังวลหลไยมันก็ดับลงอ่ะจิตใจก็สบายเป็นปกติไปดังแสดงมา